ใจให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เจริญทานศีลภาวนาที่จะทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเพราะความอิ่มความพอ ใจนี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากความาขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราใจไม่จําเป็นต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขเพราะใจเป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมเหมือนกับร่างกาย ร่างกายเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุจำเป็นต้องมีวัตถุมาคอยสนับสนุนเพื่อให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้เช่นต้องการน้ำต้องการลมหมายใจต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคนี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจต้องการใจไม่ต้องการอะไรถ้าถ้าถ้าใจอยากจะมีความสุขต้องไม่ต้องการอะไรแต่เนื่องจากใจของสัตว์โลกของพวกเรานี้ไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของใจว่าอะไรทำให้ใจมีความสุข เลยไปถูกความหลงที่ฝังตัวอยู่ในใจหลอกให้ไปคิดว่าจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหามานี้เป็นเหมือนอยาพิษทั้งนั้นเป็นเหมือนระเบิดเวลามันไม่ได้ให้ความสุข แต่มันจะให้ความทุกข์ทรมานใจทุกวันนี้ที่พวกเราต้องทุกต้องทรมานใจก็เพราะว่าใจของเราถูกหลอกให้ไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองสิ่งแรกที่เราได้กันมาก็คือร่างกายของเราร่างกายที่มีอาการ32แต่พอได้ร่างกายมาแล้ว เราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายต้องทุกข์กับความแก่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทุกข์กับความตายต้องทุกข์กับการหาชีพทำมาหากินหาอะไรต่างๆมาดูแลรักษาร่างกายถ้าไม่มีร่างกายอันนี้แล้วใจก็ไม่ต้องมีภาระที่จะต้องไปหาอาหาร มารับประทานหายามารับประทานหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนุ่งห่มใจก็จะอยู่ได้อย่างสบายแต่ไม่ใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้ความจริงอันนี้นานๆานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีปัญญาพิจารณาวิเคราะห์แยกแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะอะไรเป็นอะไรจน สามารถเห็นความจริงของใจได้ว่าใจนี้จะสุดก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรไม่อยากได้อะไรพอมีความอยากได้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีพอมีอะไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะจะต้องดูแลรักษาเช่นร่างกายอันนี้เป็นต้น พอได้ร่างกายมาแล้วออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจแล้วออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกที่ทำก็คือร้องห้าเพราะหายใจไม่ออกไม่มีลมหายใจตอนต้นก็อาศัยลมหายใจที่แม่เลี้ยงอยู่ในท้องอยู่ในท้องแม่นี่ก็สบายไม่ต้องทำอะไรอาหารก็ส่งมาทานสายยางสายสะดือของแม่ส่งมาให้ อาหารอากาศทุกอย่างน้ำก็มาจากแม่แต่พอออกมาจากทอ้องแม่แล้วก็ต้องหายใจเองตอนต้นหายใจไม่ออกก็ร้องแล้วพอหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจไปจนกว่าจะตายถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็จะต้องตายเหมือนั้นการหายใจนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งต้องหายใจอยู่ตลอดเวลา หายใจแล้วก็ต้องเอาน้ำต้องดื่มน้ำเข้าไปตลอดเวลาต้องเอาอาหารเข้าไปตลอดเวลาแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บปวดรวดแล้วไปทั่วร่างกายแล้วก็ต้องไปหายาหาหมอมารักษานี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาไม่รู้ว่า ความสุขของใจนี้เป็นอย่างไรถูกอวิชชาความหลงหลอกให้ไปคิดว่าต้องมีร่างกายต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขพอมีร่างกายแล้วพอดูแลร่างกายให้อยู่ได้ให้เจริญเติบโตได้ข่านต่อไปก็อยากจะได้สิ่งอยาอื่นต่อไปอยากจะได้ข้าวของต่างๆ ที่เราเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเสียงก็คือสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูรสก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยลิน้นกลิ่นก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยจมูกและโผฏฐะก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยร่างกายของเราเช่นความร้อนความหนาวเป็นต้นนี่เรียกว่า เป็นสิ่งที่เราอยากได้กันคือสิ่งรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้กันนี้เราไม่พอใจเราต้องได้รูปแบบนั้นเสียงแบบนี้กลิ่นแบบนั้นกลิ่นแบบนี้เราก็เลยต้องทุกขกับการไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆกัน <c oughs> เช่นเราหาคนมาเป็นคู่ครองของเราอันนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรส แบบตอนต้นอยู่คนเดียวก็ทุกพอแล้วทีนี้ไม่พอความหลงหลอกให้ไปหาคนมาอีกคนหนึ่งมาเป็นคู่ครองเพื่อจะได้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าเป็นสองเท่าตอนต้นก็ทุกข์กับร่างกายของตนเองทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายของคู่ครองต้องดูแลกันต้องห่วงใยกัน แล้วก็ต้องมีปัญหาต่อกันอยู่ด้วยกันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักกันไปตลอดเวลาเพราะใจไม่ตรงกันบางเวลาที่ใจตรงกันตอนนั้นก็รักกันได้พอเวลาใจไม่ตรงกันขึ้นมาก็ต้องเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดปัญหาขึ้นมานะก็เป็นความทุกข์ทางใจอีกอย่าง ได้ภรรยาได้สามีมาแล้วก็ยังไม่พอยังไม่มีความสุขพอคิดว่าต้องมีลูกถึงจะมีความสุขก็เลยไปหาลูกไปสร้างลูกกันขึ้นมาถ้าไม่สามารถทําให้ลูกออกมาโดยธรรมชาติได้ก็ต้องไปทุกขกับการไปหาหมอให้ช่วยทําให้เกิดลูกขึ้นมานี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่ใจ ที่ไม่ฉลาดที่มีความหลงความมืดบอดคร่บงาอยู่มองไม่เห็นกันว่าเป็นความทุกข์กับคิดว่าเป็นการแสวงหาความสุขมีภรรยามีสามีแล้วก็จะมีความสุขแล้วแต่มันไม่พอมีแล้วก็อยากจะมีลูกต่อไปมีลูกมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วต่อไปก็อยากจะมีตาแหน่งมีหน้าตาในสังคม เป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขต้องไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสมาชิกเทศเทศบาลเป็นสมาชิกสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นไปใหญ่เป็นบ้าเป็นบอไปใหญ่แล้วพอได้แล้วพอหรือยังก็ยังไม่พอย ก็ยังอยากจะอยู่ต่อไปอีกอยากจะเป็นอีกพอต้องเลือกตั้งใหม่ก็ต้องไปเดินนลเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องออกไปยกมือชาวบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดขอเสียงเขาเหนื่อยยากจนกว่าจะได้รับเลือกตั้งเข้าไปพอรับเข้าไปแล้วก็ต้องไปเหนื่อยกับการไปหาตําแหน่งอีกไขอตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นใหม่นี่คือเรื่องของความไม่รู้ว่าความสุขของใจอยู่ที่ไหนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงค้นพบความสุขว่าอยู่ที่การหยุดความอยากนี่เองถ้าใจหยุดความอยากได้กําจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีแต่ความพอมีแต่ความอิ่ง เพราะนี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ยิ่งอยากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นได้คืบก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในหมื่นในแสนอยากจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เรา ที่มีการพูดไว้ว่ามนุษย์ความต้องการของมนุษย์นี้มีหลายขั้นขั้นแรกก็คืออยากจะมีชีวิตอยู่ออกมาแล้วก็อยากจะไม่ตายเมื่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการอดอยากขาดแคลนพออยู่สุขอยู่สบายแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะร่ำรวย อยากจะเป็นเศรษฐีพออยากได้เป็นเศรษฐีแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากมีหน้ามีตามีเกียรติยศอยากได้ตำแหน่งต่างๆพอได้มาแล้วก็อยากจะได้ไปนานๆพอได้ไปนานๆแล้วสิ่งที่อยากจะได้ต่อไปก็คือถ้าตายไปก็ขอให้ได้ไปสวรรค์นี่คือความอยากของสัตว์โลกทั้งหลาย แต่ไม่ได้ไปสวรรค์หรอกถ้าไปทางนี้จะมีส่วนใหญ่จะไปทางนรกกันเสียส่วนใหญ่เพราะเวลาแสวงหาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้นั้นจะไม่สามารถรักษาศีลห้าได้นั่นเองเพราะจะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้มันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะได้สิ่งต่างๆนี่คือความหลง มันไม่ได้พาเราไปสู่สวรรค์มันจะพาเราไปสู่นรกและจะพาเราไปสู่อบายและในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็จะพาให้เรามีแต่ความทุกข์วุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าชีวิตของพวกเราก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปหลาย แสนหลายล้านรอบตายจากพวกนี้ไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมที่ทํามาไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างพอหมดใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่นิสัยที่เคยถูกฝังอยู่ในใจให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทําบาปทํากรรมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันก็ยัง อยู่ในใจของเรามันก็จะผลักดันให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยการทำบาปทำกรรมแล้วก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายใหม่นี่คือวิถีชีวิตของสัตว์โลกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันแต่ส่วนพวกที่ได้มีโอกาสได้มีวาสนาะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาะ ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราหยุดความอยากเพื่อให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้เราได้พบกับความอิ่มความพอด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในขณะที่เราอยู่ เราก็จะมีความโล่มเย็ยนเป็นสุดถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายอาจจะอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวอาจจะไม่มีตําแหน่งอาจจะไม่มีเงินทองเป็นมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะเราไม่ได้ไปทำบาปทากรรม เราทำแต่เหตุที่ดีการทำทานนี้เป็นเหตุที่ดีที่จะพาให้ไปสู่สวรรค์การทำการรักษาศีลก็เป็นเหตุที่ดีที่จะทำให้ไปสู่สวรรค์และการภาวนาก็เป็นเหตุที่ดีที่จะทำให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป พ่อรู้แล้วว่าการเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกนั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้วท่านไม่มีความอยากอีกแล้วท่านมีความพอท่านจึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่มี ความพออยู่ในใจของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงและอยากจะไปสวรรค์ทุกครั้งที่เราตายไปจนกว่าเราจะไปถึงพระนิพพาน mm hmm. ก็ขอให้เราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาทานแปลว่า ก, การให้ การให้นี้ก็มีให้หลายอย่างด้วยกันให้วัตถุ ก, ก็เรียกว่าวัตถุทานเช่นตอนนี้เราเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าเป็นวัตถุทานถ้าเราไม่มีเงินทองมากที่จะให้ได้เพราะเราต้องเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาชีวิตของเรา เราให้อย่างอื่นก็ได้เช่นเราให้ความรู้เรามีความรู้อย่างใดเราเอาไปสอนผู้อื่นโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนเช่นเรามีความรู้ทางการทำกับข้าวเราก็ไปสอนคนอื่นให้รู้จักการทำกับข้าวทำขนมหรือจกหรือรู้จกัจกวิธีเย็บปักถักร้อยเราก็สอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทอง อย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การอิ่มอยู่ที่การพออยู่ที่การไม่อยากเราก็สอนคนอื่นไปเวลาคนอื่นเขามีความทุกข์เขาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็บอกเขาว่าอย่าไปอยากอย่าไปอยากได้แล้วจะมีความสุข ให้เปลี่ยนใจเสียให้ทำใจเสียอะไรไปก็อยากไปอยากได้ให้มันกลับมาเพราะมันไม่มีวันที่จะกลับมาได้เช่นเสียคนที่เรารักไปเขาตายจากเราไปอยากจะให้เขากลับมาเขาก็ไม่มีทางที่จะกลับมาได้ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจไปเท่านั้นถ้าเราสอนเขาว่าอย่าไปอยากอย่าไปยอมต้องยอมรับความจริง สิ่งใดก็ตามที่เกิดมาแล้วแล้วจากไปแล้วก็ต้องจากไปไม่มีวันกลับคืนมาเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วไม่มีการไหลย้อนกลับมาถ้าเราไม่ประยากให้เขากลับมาเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจนี่คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีก็ให้ถ้าเราไม่มีแต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆ ที่เราอ่านแล้วเราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์ทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีความอิ่มมีความพอเราก็เอาหนังสือนี้ไปแจกให้กับคนอื่นก็ได้ถ้ามีกําลังทรัพย์ก็จะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้การให้ทั้งสามชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้ มีคุณค่ามีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจยิ่งกว่าความรู้และวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆความรู้และวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆนี้ดูแลร่างกายเราเท่านั้นเองช่วยให้ร่างกายของเราอยู่ดีกิน ด, ด, ดีไม่ อ, อัตขัดไม่เอาทากขาดแคลนแต่ไม่สามารถดูแลจิตใจของเราได้สิ่งที่จะดูแลจิตใจของเราได้ มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่นั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นเวลาเราจะให้ทานก็ขอให้เราพิจารณาดูว่าเรามีอะไรที่จะให้ได้ถ้ามีวัตถุเข้าของเงินทองก็ให้ไปถ้ามีวิชาความรู้ มีคนต้องการจะเรียนรู้จากเราก็ให้ไปถ้ามีหนังสือดีๆมีธรรมะแล้วมีคนเขามีความทุกข์ใจมาปรึกษามาขอความช่วยเหลือก็ให้ธรรมะกับเขาไปแต่ไม่ควรยัดเยียดสิ่งต่างๆให้แก่ผู้อื่นเวลาจะให้อะไรเราต้องควรสังเกตดูว่าเขาต้องการหรือไม่ถ้าเขาไม่ต้องการก็เป็นเหมือนกับ เทน้ำใส่หลังสุนักสุนักมันไม่ต้องการน้ำเวลาเทน้ำใส่เข้าไปมันจะสลัดทิ้งทันทีฉันใดเวลาเราจะให้อะไรกับใครเราก็ต้องดูว่าเขาอยากจะได้หรือไม่เขาพร้อมที่จะรับหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมแล้วให้ไปก็จะเสียประโยชน์เสียเวลาไปเปล่าๆเช่นเราอยากจะสอนให้คนเขา เป็นคนดีสอนให้เขาอย่าไปสู่บุหรี่อย่าเป็นดื่มสุรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันเช่นลูกของเราเป็นต้นแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเราเราพูดไปก็จะเหนื่อยไปปปะ่าๆแล้วก็จะทุกข์ไปปปะ่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเขามีบุญมีกรรมของเขามา เขามีนิสัยดีมีนิสัยไม่ดีติดตัวเข้ามาคนที่มีนิสัยไม่ดีติดตัวมามากก็ม mm ักจะชอบทำอะไรที่ไม่ดีคนที่มีนิสัยดีติดตัวมามากก็มักจะทำอะไรที่ดีไม่ว่าจะมีใครบอกหรือไม่บอกก็ตามยกเว้น <sandwich> คนที่เป็นกลางๆคือนสิสัยดีก็ไม่มากนิสัยไม่ดีก็ไม่มาก อย่างนี้ก็อาจจะทําตามคนที่ชักจูงได้อยู่กับคนดีเขาชวนให้ทำความดีก็จะไปกับเขาอยู่กับคนไม่ดีเขาชวนให้ทำไม่ดีก็จะไปกับเขาคนเราจึงมีสามลักษณะด้วยกันคือคนดีคนไม่ดีและคนกลางๆคนดีนี้ไม่ว่าจะไปอยู่กับใครอยู่กับคนไม่ดีก็จะไม่ไปทำ สิ่งที่ไม่ดีกับคนไม่ดีคนอื่นคนไม่ดีเขาจะเล่นการพนันสูสูบสูบสูบส บ, สบุหรีร่เรื่อเสพสุรายามังเขาก็จะไม่ทำตามเขาจะชอบทำบุญเข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมส่วนคนไม่ดีถึงแม้จะได้อยู่กับคนดีเขาก็จะไม่ทำตาม พ่อแม่ชวนมาวัดก็ไม่อยากจะมาด้วยอยากจะไปเล่นอยากจะไปดื่มสุรายาเมาเป็นตน้นถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ให้เหนื่อยไปเปล่าเพราะเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้านี้พ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้พ่อก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่เป็นกษัตริย์เพื่อจะได้เป็นมหาจั ก, กรพรรดิ ตามที่โหนได้ทํานายเอาไว้แต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้สะสมแต่ความดีมาจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงโน้มไปทางการทําความดีจนในที่สุดก็ต้องหนีออกจากพระราชวังแล้วก็ออกบวชไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่พึ่งของสัมโลก เพราะมันเรื่องของบุญของกรรมที่ไม่มีใครที่จะไปหักข้ามได้ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่หรือเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็มีแต่หน้าที่บอกสอนเขาไปเท่านั้นแต่เขาจะรับได้หรือรับไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของบุญของกรรมของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ ดังในนิทานเรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธการมีพราหมอยู่คนหนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี้เป็นคำสอนที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติไปสู่พระนิพพานได้แต่ทำไมพระสาวกหรือผู้ที่มาศึกษากับพระพุทธองค์นั้นจึงไม่ไปถึงพระนิพพานได้ถึงทุกคน พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตมีหน้าที่บอกทางเท่านั้นเราไม่สามารถเดินให้เขาได้เขาต้องเดินของเขาไปเองเขาจะเดินไปถึงไม่ถึงนั้นก็อยู่ที่ตัวของเขาตถาคตไม่สามารถที่จะเดินให้กับเขาได้แต่พระพุทธเจ้าจึงไม่เคยมีความทุกข์กับ ลูกศิษย์ลูกหากับสาวก ข, ของพระองค์ว่าจะปฏิบัติตามได้หรือไม่จะปฏิบัติตามได้มากหรือน้อยหรือไม่ไม่ทรงดีใจไม่ทรงเสียใจปล่อยให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาเพราะแต่ละคนนี้เป็นเหมือนบัวสี่เหล่าคนที่ได้ทําบุญมามากก็เป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้ว เพียงได้ยินได้ฟังเทศได้ฟังธรรมก็บรรลุได้ทันทีดัวพวกชนิดที่สองนี้ก็เป็นพวกที่อยู่เปลิ่นน้ารอเวลาอีกวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วก็จะบานต่อไปพวกนี้ก็เป็นพวกที่ต้องฟังเทศฟังธรรมหลายครั้งหน่อยแต่ก็ไม่มากฟังสักสีห้าครั้งก็สามารถบรรลุได้ ส่วนบัวชนิดที่สามนี้เป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่กําลังจะโผล่ขึ้นมาในระยะอีกไม่นานพวกนี้ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยต้องฟังเทศฟังธรรมบ่อยต้องนั่งสมาธิต้องทําบุญให้ทานต้องรักษาศีลอยู่เรื่อยๆต้องปฏิบัติมากๆแล้วต่อไปก็จะสามารถบรรลุได้ส่วนพวกสุดท้ายนี้เป็นพวกที่อยู่ อยู่อยู่ใต้อยู่ที่อยู่เขาเรียกอยู่พื้นดินอยู่ก้นบ่อก้นบึงลวงนี้จะไม่มีโอกาสโตตะเกงโต ต, ต, ต, ตขึ้นมาได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกคนกลุ่มที่สีนี้ก็เป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานไม่เชื่อเรื่องการรักษาศีล ไม่เชื่อเรื่องการภาวนาไม่เชื่อเรื่องการหยุดความอยากต่างๆพวกนี้ก็คือพวกที่อยากจะไปหาเงินหาทองเป็นมากๆอยากจะหาตำแหน่งหายศยาอำนาจอยากจะหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผุถะะพวกนี้จะไม่สนใจต่อการเข้าหาพระพุทธศาสนาจะไม่สนใจกับการปฏิบัติ ถ้าทำบุญก็ทำไปพอไม่ให้เสียพิธีเช่นทำบุญในช่วงวันเกิดวันสำคัญต่างๆทางศาสนาหรือวันขึ้นปีใหม่เท่านั้นเองแต่ที่จะทำให้เป็นติดเป็นนิสัยทำเพราะเชื่อว่าเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ไปสู่การไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พวกนี้จะไม่มีจะไม่ทำโดยเด็ดขาด เพราะจะเสียเวลากับการหาเงินหาทองหาตำแหน่งต่างๆเช่นวันนี้ถ้าจะอยากเป็นผู้แทนก็ต้องออกไปหาเสียงไม่มีเวลาที่จะมาเข้าวัดทาบุญตักบาดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้ามาทําอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้เป็นผู้แทนได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายงแต่จะ ไม่ต้องไปตกนรกจะได้ไปสวรรค์ถ้ามาทางนี้ถ้าไปทางนั้นก็จะต้องไปอบายไปตกนรกไปเวียนว่าตายเกิดยังไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นพวกเรายังถือว่าเป็นบัวชนิดที่หนึ่งที่สองหรือที่สคือมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และพยายามที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาวัดอยู่เรื่อยๆมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนาทําไปแล้วต่อไปก็จะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตใจจะเกิดความอิ่มเกิดความพอเกิดความสุขมากขึ้นก็อยากจะทําให้มีความสุขความอิ่มความพอมากขึ้นแล้วไม่นานก็จะสามารถ ทำให้ใจถึงความพอได้อย่างถาวร น, นี่คือเหตุที่พวกเราทั้งหลายมาวัดกันมาเข้าหาพระพุทธศาสนากันมาเพื่อทำให้ใจของเรานั้นพอทำให้ใจของเรานั้นอิ่มเพราะความอิ่มความพอนี้คือความสุขที่แท้จริงนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาทำใจให้อิ่มให้พอนี้ให้ท่านแนะนำเอาไปพินิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุปะสิรัธนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้ำสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ